โดยเพราะอย่างยิ่งได้ยินฟังได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าภาวนาวา่าพุทโธเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีเกณฑ์นบรรลุมรรคผลสู้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลานี้แม้แต่พระอาจ์ทั้งหลายท่านยังภาวนาว่าพุทโธอยู่ถ้าคำภาวนาถ้าทรงตัวจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิด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 ท่า น, นถามว่าการอย่างนี้เนี่ยมันไบกายของความสุขกัอความทุกข์ในท่ท่านก็ถามต่อไปว่าไอ้ต้วข้าวที่มันจะเกิดเป็นข้าวมีไม่ขึ้นมาเขาทำยังไงเมื่อกราบเรียนบอกว่าต้องโนนไปไ ป, ไปทน า, นไป า, นานาเนี่ยไปไถนาไปหว่านข้าวไปคาาไปได้ยากเออ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 ท่านให้พิจารณาหาว่าการสุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกมันได้มาจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคืออาหารที่เราจะกินเข้าไปทุกวันนี่เรากินทุกอัฏฐบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสำหรับทุกนาเริยสัตว์นี่ให้ผมพูดสามร้อยปีนี่ไม่จบก่อน